ไม่ได้รับเสินเส้นรับจนชินได้หไหมงงเลยนันสับขาหล่อแลวงงเลยเออเดี๋ยวเจอลูกไซคโคหนักก็ไปรี้เอาวางมือตั้งใจเออไม่อยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังก็มาต้องฟังเพราะว่า โอ่โเดดูเล่อมันเดหน้าใหม่ท้งนั้นเลยมันหน้าใหม่ทางนั้นเลยอืมันนี้มาแปลกคือมาให้รับสินเรารู้ไ้มทําไมพ่อไม่ให้รับสินทําไมถึงไม่ให้รับสินนี้ ไปโกรธใครมาเนี่ยสินก็ไม่ให้จริงๆแล้วความหมายเดียวกันก็คือการไหว้พระการสมาทานสินเราสามารถทำได้ด้วยตนเองสินถึงแม้ไม่ขอตอนนี้คือปากไม่ใจใจใจใจทางกายคำไม่ใส่ทางออกมันก็เป็นสินโดยภาคปฏิบัติอยู่แล้ว คือไม่ต้องไปกหกพระรับไปหาข้อออกมานอกสาละก็เหมือนเดิมหน่ยไม่รับไปทําไมอย่างนี้นคือสิลละสิลในภาคปฏิบัติเราเข้าใจในเรื่องของปริยัติมากไปส่วนทางปฏิบัติตอนนี้เป็นศินละทุกคนเป็นศินตอนนี้ถึงรับไม่รับยังไงมันก็เป็นศินคือปิดกายปิดวายจานี่นคือศินโดยทันทีใ น, ใ น, ในภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้น อยู่ที่ไหนก็เป็นสินทันทีอยู่ที่บ้านก็ได้ขนาดไหนก็ได้เป็นสินทันทีอืส่วนสินนั้นเราขอกันมานานเห็นหน้าพระเมรัยก็ขอวันนี้สองรอบสามรอบวันนี้เราไปสองงานก็สองรอบล้วขอศินแสดงว่าถ้าเราไปงานสองงานวันนี้ก็ขอสินจากศีนห้าเป็สิสิบไปแล้วก็ตัวเดิมนะอย่างนั้นก็ไม่เข้าใจอันนี้คือหนึ่ง อันนี้คือสองนัคือแสดงก็คือแสดงธรรมเราก็ไปรอให้พระขึนธรร ม, มานาาิยโมจาระยกพระสิบแล้วก็เชื่อว่าฟังพระเทศนี่ยิ่งการเทศการแสดงตอนนี้ป้าติ๋มกําลังเทศอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เราก็เทศอะฟังป้าติ๋มเทศบ้างหรือเปล่าตอนนี้ คนนอนเทศสบายตอนนี้มันกำลังเทศให้เราเราฟังไหมตอนเทศว่ายัางไงเกิดแกเจ็บตายตอนเทศว่ายัางไงสองคืนในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ยืนเดินนั่งนอนก็ไม่แค่นี้แหละชีวิตสุดท้ายก็มานอนยาว อ, อย่างนี้นะ เมืเ่อนอนเสร็จแล้วบุญบาปก็ไม่เกิดแล้วเดี๋ยวกลับไปบ้านหัวเท้าสมัค ก, กันบุญก็ไม่เกิดบาปก็ไม่เกิดแล้วไม่ต่างอะไรคนตายสติก็ไม่อยู่กับตัวล้วเหลือแต่วพวังแค่จิตจิตที่มันก่อพวกก่อชาติไะไรจะเรียกว่าฝันคือมันยึดเอายึดรูปหยาบนี้ไปอมันก็กลายเป็นความฝันทั้งเร็ว น, นิดๆ ค, คือเครื่องหมายคือรูปหยาบเนี่ยมันมันไม่มีความรู้สึก ก็เลยที่สี่ตัวก็คือเวทนาสัญญาสังขารพกอย่ญญาเนี่ยที่มันก็กลังสอนอยู่ตอนนี้มันก็เหลือธาตุทั้งสียังไม่ครบเลยตอนนี้ดินน้ำไฟลมยังไม่ครบเลยลมไปก่อนแล้วลมลมนี้ไปก่อนเพื่อนเลยมุ่งหมดลมทุกอย่างมันก็หมดโดยสภาพดินน้าไฟมันก็ดับโดยสภาพเนี่ย ผู้ยาสอนเราสอนให้เห็นเรื่องเนี้เรื่องเกิดเรื่องดับสองอย่างกันนี่แหละแต่เราไม่เข้าใจว่าเราเกิดจะ เ, เกิดเป็นคนเรื่องดับก็คือความตายเราเข้าใจกันอย่างนี้มาตลอดเมื่อเราไม่ฟังเพราะเราไม่ฟังเทศ่ยคือฟังไม่เป็นที่จริงก็คาดลัเทศอย่างเนี้เราไม่ต้องไปฟังเทศใครเราเทศตัวเองฟังได้มั้เราเคยเทศตัวเองฟังบ้างไหม ไม่เคยสรุปก็คือเราไม่เคยเห็นตัวเราเองเห็นแต่คนอื่นคนนั้นชั่วคนนั้นดีเห็นมดซึ่ง น, นั้นก็นไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเขาดีกับเรื่องของเขาเขาชั่วกับเรื่องเขาเขารวยไปเรื่องของเขาเข า, gehabt, เขาจนเป็นเรื่องของเขามันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเขาเรียกว่าไม่เห็นตัวเองอย่างนี้เพราะนั้นการปฏิบัติวิธีแนวก็คือต้องการให้เราเห็นตัวเอง เห็นแล้วไปยังไงแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ไม่ต้องสงสัยหลวงพ่าจะตอบคำถามานี้่ตลอดเวลามันจะพามันบอกเขเป็นห่วงภาษาลูกหลานญาติพี่น้องไปถามว่าโยมพ่อโยมแม่ลุงป้านา้าอ่านไปตายแล้วไปไหนมันจะเจอคาถา ม, ถามานี้ตลอดเวลาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยกว็ห่วงหาอะไร แต่อยากให้พวกเราคิดเป็นหลักการคือมีหลักการคิดแบบเป็นหลักการว่าสมมติปฏิมาเรายกไว้เราเคยสงสัยพระพุทธเจ้าบ้างไหมว่าท่านปรนิพานแล้วพูดห่ภาษาเราคือตายแล้วไปไหนเราเคยสงสัยบ้างไหมเราเคยสงสัยพสัสสาวะโมคะลาสารีบุตรว่าท่านละขันไปแล้วนะท่านไปไหนเคยสงสัยบ้างไหม ไม่มีใครสงสัยเพราะอะไรเพราะว่าเรามั่นใจในความดีว่าทําดีได้ดีอเพราะฉะนั้นผู้ลงรับลรหมายตายจากพวกเราไม่ว่าจะใครก็ตามถ้าเรามั่นใจว่าตลอดอย่างเวลาชีวิตของท่านที่ผ่านมาเนี่ยทำแต่คนงานความดีมอย่างปฏาติ๋มแม่ติ๋มของเราเนี่ยวันสิลนันทพระมา ท, ทวันถือศีลแปดทุกวันช่วงหลังๆคดีสัจฉิ วัยเจกวา่าอยู่กันทั้งคืนอ่ะยืนเดินนั่งสวดมนต์อย่างนี้ทั้งคืน ท, ทั้งที่โรคภัยกระเจียกกระเบียดเบียนความดันโรคกระจำความดันเบาหวานก็เบียดเบีย น, ยนทั้งก็อยู่ตลอดวันทั้งโต่รง เ, เรียนเนสชีกังขานี่ก็กลับไปเถือเหมือนเราสงสัยผู้ปริจําก็ไม่ต้องสงสัยเพราะงั้นก็จะกลายเป็นว่าทําดีแล้วไม่ได้ดี ก็คือมีผลเพราะอยากให้พวกเราเชื่อในสิ่งที่มันเป็นความจรงิงและที่สาคัญคือเชื่อพระพุทธเจ้าอย่ า, ยาไปเชื่อลองปากคนนั้นคนนี้คนน้นไม่ไม่มีที่สิ้นสดุดคนนั้นว่าอย่างนี้นคน น, น, น, นี้ว่าอย่างนู้นเขาว่าเขาเป็นใครขปถารู้ก็เขาว่าเนี่ยถามเขาเป็นใครไม่รู้เหมือนกันเอา้าคุณอยู่ด้วยความไม่รู้คุณไปทํำนาศีความไม่รู้ อันนี้ไม่ใช่สัสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้านะต้องชาวพระพุทธเจ้าสอนว่าเราอย่างไรอยากความตายเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรความเป็นพระุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรวันเดือนปีพระุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรวันสองร้อยสามร้อยวันพรุทธเจ้าเขาบอกให้เหลือแค่สามวันได้ไหมคือวันวานวั น, ว น, วนพรุ่งนี้กับวันนี้ท่านเรียงลําดับอย่างนี้นะ ปุจจารขอบอกเรียงลำดับคือวันวานคืออดีตวันพวกนี้คืออนาคตและกับวันนี้คือปัจจุบันท่านเรียงอย่างนี้นะปุจจาทัานดบับอดีิตตังนานวาคามัยะนับปฏิคเคอนาคตาอันนี้คือหลักฐานที่เป็นสาบาลีก็จะานบอกว่าพูดถึงอดีตพวกอนาคตสุดท้ายลําดับที่ก็คือปัจจุบันเห็นไหมแล้วอดีตอนาคตปัจจุบันท่านให้อยู่กับวันไหนให้อยู่กับปัจจบุบัน ให้อยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันท่านั้นที่เป็นความจริงและเป็นความจริงที่แก้ไขได้ส่วนอดีตจริงแต่มันแก้ไขไม่ได้แล้วอนาคตจริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีใครตอบได้เพราะนั้นถ้าใครอยู่กับอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดคำพูดการกระทาก็ตามเพราะนั้นถ้าก็อยู่กับวันวานคือฝากชีวิตไว้กับวันวานเมื่อวาน แต่ใครจะกพวกนี้จะกินอะไรจะเป็นยังไงไปยังไงมาอย่างไรไม่ตกกังวลในวันพวกนี้เพราะนั้นอยู่กับอนาคตคืออยู่กับความไม่แน่นอนันาคแน่นอนะปัจจุบันคือความแน่นอนคือวันนี้เดี๋ยวนี้ขณะนีนะ้ให้เราอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคืออะไรผู้เจ้าสอนสามอย่างแค่นั้นให้พวกเราจำไว้ทุกคน หนึ่งครเจ้าสอนอะไรก็สอนความจริงแต่เรารู้จักความจริงไหม ย, ยอมรับความจริงไหมใครไม่ยอมรับความจริงก็อยู่ความเท็จเราก็อยู่ความเท็จตลอดชีวิตคือไม่ยอมรับความจริงแต่ครูเจ้าสอนความจริงไห ย, ยอมรับความจริงหนึ่งสองก็คือประโยชน์ทําตัวเองให้เป็นประโยชน์ให้มีประโยชน์ อะไรที่เป็นประโยชน์ประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ชนอนาคตสามคือสติเรามีสติสตังเป็นรองสติเป็นหลักแต่เราไปเอาสตังเป็นหลักอันนี้คือผ่านมาไม่เต็มอยู่แบบโลกอยู่แบบธรรมทั้งครบทั้งสองอย่างอยู่แบบ ร, รับราชการสนองงานประเทศชาติบ้านเมือง กรมการปกครองของสุโไทยจนเกษยียณวรระเนี่ยคืออยู่กับโลกท่านก็ทําเป็นประโยชน์คุณในประโยชน์อยู่กับทําหลังจากเกษยียณ้วก็เข้าวัดฟังธรรมแจ่มสินภาวนาเนี่ยอยู่ทําฉะนั้นแม่ติ๋งคือโลกก็อยู่ทำก็อยู่เรียกวโลกกระทำอาถามพวกเราอยู่กับโลกมานานแล้วแล้วฝ่ายทำอยู่อไหมผมพอเปรียบเทียบไปฟังเฉยเสมอโลกอยู่ได้พ่อสตาง แต่ทําอยู่ได้เพราะสติทั้งไวสองคำแค่นี้โรคเขาที่โดนขนขวายข่ากันตายกับเพราะสตังตัวเดียวนี่แหละแต่ทําอยู่ได้เพราะสตินะสรุป ง, ง่ายคือโลคว่าสตังทำหาสติสตังยังไม่เต็มตัวนี้ต่อให้มีเป็นพันล้านเป็นแสนล้านทําอะไรได้ไหมที่หามาทั้งชีวิตคือสตังส่วนฝ่ายทําคือสติ สติท่านั้นที่ไปกับจิตที่กัจิตเราไปสตั้งทําอะไรไม่ได้แล้วก็ทะเลาะบ่อแหวงฆ่ากันตายเรียวมรดกเลือดอะไรคือสตังนี่คือสติเราหาสติที่สำคัญอย่างน้อยที่สุดคือให้เราเข้าใจว่าโลกอยู่ได้เพราะสติสตังแค่สองคำกันนี่แต่ไม่มีสตังแต่ไม่มีสติอยู่ได้ไหมถูกหวยสามร้อยถูกหวยเคยได้ยินไหมครับไมีสตังแต่ไม่มีสติ ไม่กี่วันหายหมดัดแต่มีสติสามารถที่หาสตางค์ได้ถึงแม้ไม่มีสักบาทแต่จะหาเพิ่มขึ้นมาได้นี่คือความสาคัญทางหมดนี้ใช้กับคนเป็นเท่านั้นใช้กับแม่เต็มตอนนี้ไม่ได้เพราะไม่เต็มแสดงทำ ม, มาเราเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายยืนเดินนั่งนอนใช้หมดแล้วไอ้ที่มันน่าจะเป็นกุศล คือบุญก็คือนั่งแล้วก็เดินยืนเนี่ยน้อยอะไรบทใช้มากก็คือนอนแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยสติก็ไม่ได้สะตั้งก็ไม่ไดนน้นอนหลับได้สตั้งไหมใครจะบอกนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนะใครถือคนประฏิคิดคนขึ้นมานอนหลับได้เงินหมื่นจริงไหมนอนตื่นได้เงินแสนจริงไหมก็พูดไปกันนะ เอาของโลบนำเขาจะเป็นอย่างนี้ยคือเราไม่อยู่กับความจริงนี่คือสิ่งที่พรุทธเจ้าสอนว่าเออให้อยู่ความจริงนะไม่แต่คำพูดคําจาทั้งหลายเนีก็ต้องอยู่กับความจริงเพราะนั้นอาบดนอนถึงเป็นอายุวัที่ไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยเนื่งจึงเป็นเทมาขดเนสชิการฆาเก็บวันเราไม่นอนสักวันเป็นยังไงเราจะได้รู้นอนมานานแล้วเอนต้องหกวันนะอาทิตย์หนึ่งแล้วก็นอนทั้งชีวิต แล้วก็วันหนึ่งนอนนียาวกว่าเพื่อนเลยมัน้องไปห่วงนอนอีกไม่นานเราก็จะนอนหนู่มปติมแล้วเราก็นอนยาวอย่างนี้แล้วไม่้อไปห่วงเรื่องเราไปนอนวันนั้นคื อ, อ น, นี่คือสติพระธี่ต้องให้สติมิเชลต้องให้สตังเพรานั่นปฏิจจังปรารถางทั้งหลายเลยท่านได้จะไม่ให้สติไม่ได้จะไมให้สตังพลังกฟาฟ้าพวกเราทุกคน ที่มาในงานวันนี้เมื่อกี้ก็เช่นเดียวกันว่าทาไมถึงบอกไม่ให้สินว่าเรารับรับกันจนชินแล้วเขา้าใจว่ารับกับพระแล้วที่จะเป็นศีลจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่หยุดปากหยุดกายนะครเป็นสินทันทีแล้วทางปฏิบัตินะี่แม่พระก็เหมือนกันถ้าแกเราเป็นพระทุกอย่างเป็นพระหมดอ่ะไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้าอาภรรไม่เกี่ยวกับนุ่งเหลืองห่มขาวห่มแดงหัวลดไม่หัวล้ไม่เกี่ยวกัน น, นี่คือพระเป็นพระที่ใจจะไปเป็นพระที่รูปร่างเนี่ยตอนนี้ข่าวพระดังตู้เชียงใหม่รอบๆเชียงใหม่เนะี่ยในเมืองบ้างแม่ริมบ้างตอนนี้ขึ้นนั่นหนึ่งรายวันละข่าวพระนะนั่นกับพระเหมือนกันมันโดยสมมติที่่พระสมมติไม่ใช่พระแท้ส่วนพระแท้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรง และที่สําคัญคือต้องเป็นพระเต็มไม่ใช่พระขาดพระเต็มคืออะไรพอแล้วพระขาดคืมีเท่าไหร่ก็ไม่พอผมเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม น, นั่นคือพระขาดคือพระไม่เต็มส่วนพระเทยจะต้องเป็นพระเต็มนะคนก็เหมือนกันเราต้องการคนเต็มไม่มมมมนะออต้องการคนเพ้อปั่มเผลอๆนี่เราต้องการเห็นไหมกรริเลยอะไรไม่คุ้นเป็นอย่างนี้ ลักษณะการคลองตนชีิตปัจจุวันก็ควรจะเป็นอย่างนี้วันนี้พามาร่วมงานของพระเต็มวันสุดท้ายพวกนี้ก็สลายล่างแล้วจริงๆส่วนที่พระเต็มจริงๆก็เหลือแต่ชื่อเหลือแต่นามโดยสมมตุติส่วนที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ดวงจิตของพระเต็มเกาะเอาไว้เหลือแต่รูปละเอียด รูปลิเกตตัวนั้นนะมาอยู่ที่กุศลธรรมมาอโกศลธรรมมาอาพยากตาธรรมมาแค่นี้เวลาคนตายพระ ก, ก็จะพูดสองเรื่องกันนี้แหละแล้วลขยายความไปว่ากุศลธรรมมาจิตเป็นกุศลเพราะนั้นคํากุศลนี้นนกับบุญเนี่ยบุญเราทำมาเยอะแล้วแต่กุศลเราอยากทาน้อยอยู่เราทํามันมาทั้งชีวิตเลยแต่กุศลมันน้อย กุศลคืออะไรกุก็โฉลาระโลัดถ้าเราฉลาดแล้วคิดก็ฉลาดพูดก็ฉลาดทําก็ฉลาดแต่กุศลธรรมถ้าคิดไม่ฉลาดพูดไม่ฉลาดทาไม่ฉลาดอักุศลธรรมแต่ถ้าใจเป็นหนึ่งกลางคือไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งอภิญากตาธรรมะหรืออุเบขาธรรมะหลังกัรปฏิบัติเราต้องมุ่งก็เป็นอุเบขาธรรมะคือใจเป็นกลางคือไม่ต้อง กุศลก็ไม่เอาอกุศลก็ไม่เอาคือจิตที่เป็นสมาธิอึ้งใจเป็นกลางนั่นคือคำว่าใจให้เราเข้าถึงตรงนั้นให้เป็นเป็นกลางพูดง่ายๆคือสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอ า, า, เอาคือวางทุกวันเราติดสองตัวนี่แหละติดสองอันนี่แหละถ้าเราไม่ติดสุขก็ติดทุกข์อยู่อย่างนี้ติดเราไม่รู้ที่มรู้เพราะอะไรสติสติมันน้อย มันคิดไม่ได้มันนึกไม่ได้ที่เราปฏิบัติต้องการให้เรามีสตินึกได้ว่าเออสุขเข้ามาก็รู้ทุกข์เข้ามาก็รู้แค่รู้รู้แล้วก็วางเขาก็อยู่ของเขาในโลกนี้แหละมันไม่มีใครเป็นเจ้าของใครไปยึดมาใครไปซื้อมาคนานั้นก็เป็นเจ้าของเหมือนประกายในเซเว้นตอนนี้มไม่มีใครเป็นเจ้าของเอาเงินไปนแรกก็มาก็เป็นของตัวเองพอได้มาแล้วก็หายไม่ได้ลแล้วทีนี้ตอนนี้ก่อนนั้นก็ไม่ใช่ของเรา5บาทสิบาทนี่ก็หายไปได้ ถ้หายเป็นเรื่องเลยถ้าเราคิดเหมนโอ้ยไปหลาย10บาทเองหาไปไปซื้อใหม่ น, นี้จบเลยนี่คือวางแต่ถ้าวางไม่ได้อะโประกาศโอหายไปไหนเนี่ยโอเดือดร้อนนะราคา10บาททําให้เราเดือดร้อนทั้งชีวิตเลยเหรอือครับติดคุกติดตารางค่ากันตายนะทวงเงินยีสบาทค่ากันตายนะเห็นไหมคุ้มกันไหมเนะนี่นเยเรียกว่าวางปเปัจฉะนั้นการปฏิบปธรรมคือต้องการให้เรารู้หนึ่งอย่างที่ผู้เจี่วบอกคือความจริง แล้วก็ยอมรับความจรงิงของเขาแล้วความจริงอันนี้นเขาก็จะอยู่ของเขาอย่างนี้นมันไม่มีใครไป็นเจ้าของอะไรเข้าใจความจริงได้สองคือความจริงอันนั้นเป็นประโยชน์ไหมคือเป็นประโยชน์ต่อเราไหมเกี่ยวกับเราไหมถ้าไม่เกี่ยวก็ต้องไปยุ่งไม่เกี่ยวกับเรามันเป็นประโยชน์นทีส่สำคัญคือฝึกตัวเองให้มีสติคือเรานึกนึกคืนได้อยู่เสมอว่าอันนั้นดีอันนี้มีดีในนควรอันนี้ไม่ควร อย่างนี้เรียกว่าฝึกสติอันจะเป็นตั้งหลักภูรตาแล้วหลวงพ่อจําอยู่เสมอว่าระหว่างสัญญากับปัญญาเนี่ยมันต่างกันอย่างกับฟ้ากับดินซึ่งเราอย่างเข้าใจกันผิดกันที่เราใช้ใช้ใช้กันทักวันใช้สัญญาคือความจำได้หมายรู้มันไม่ได้เป็นปัญญาปัญญานั้นไม่เกิดปัญญากับสัญญาต่างกันในเชิงเสื เพราะั้นถ้าเราใที่เรายังไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ก็ยากที่จะฝ่าพันอุปสรรคปัญหานานประการโดยพวกชื่อหลักธรรมการสอนของพุทธองค์ที่เป็นปัญญาอันบริสุทธิ์ปัญญาเดแท้จริงความจริงที่เหนือความจริงเราไม่ไปทางที่ไปถึงจุดนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาร่วงงานของแม่ติ่มคงไม่มีอะไรสงสัยไปกว่านี้แล้วเพราะทั้งหมดก็เคลียร์หมดแล้ว ส่วนเรื่องอื่นๆที่ตามมาเช่นสมมติพรุ่งนี้วันที่สิบสามเขาว่าเขาไม่เผาปีกันพรุนี้วันใครว่าสุโขทัยหลวงวันที่สิบสามเขาไม่เผากันว่าวันศุกร์เขาก็ไม่เผากันทางเหนือก็ถือวันศุกร์บดีเผาจริงๆก็เขาห้ามทุกวันแหละเราไปดูดิวันอาทิตย์ทําอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้บ้าง วันจันอาคารพุทธสุดก็ถึงวันสเสาร์ทำอะไรไม่ไดนะ้คำถามก็คือเราเป็นพุทธไหมคือไม่ต้องไปถามของพวกนั้นถามว่าเราเป็นพุทธั้ยถ้าถามว่าเป็นพุทธเราพุทธสอนอะไรเราจะได้คำตอบในงั้นก็จะชี้ไปว่าเนี่ยพุทธแท้พุทธเทียมพุทธเทียมไม่มีเหมือนสินค้านี่ ก็แสดงว่าพุทธเทียมมีแสดงเข้าทําสินค้าเทียมมีไหมคําสอนที่มันเทียมพุทธไม่มีเราไปเรียกกันเองไปสร้างวัฒนกรรมกันเองว่าอันนี้พุทธแท้อันนี้พุทธเทียมซึ่งพุทธแท้คืออย่างไรเราก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถามว่าพระเจ้าสอนไหมถ้าพระเจ้าไม่สอนเราต้องไปไปตกกังวลมันเป็นตํารามันเป็นความเชื่อมันเป็นสถิสติอย่างเช่นตายวันเนี้จะบอกก้าวกลอง ปรกต็ตายแล้วบอกกันข้าศพเขาก็จําเป็นสถิติก็บอกต่อๆกันมาเรื่องมีแค่นี้เองไม่นด้หลงยาเลยมันไม่ได้มีเหตุมไม่มีผลแล้วก็ไม่ได้เป็นความจริงด้วยแล้วทําไมเราต้องฟังเพอเราไม่ใช่ปัญญาสุดท้ายเราก็จะฟังสุดท้ายวันนี้พอไม่ได้อ้าวตายแลย้วแบบนี้แล้วบ้านเมืองประเทศไทยไม่มีการเผาเลยเลยรประเทศไทยวันศุกร์ไม่มีการผอศพเลยเลย จะเกิดอะไรขึ้นว่าเราไม่ใช่เปัญญาเพราะของพวนี้เชื่อได้แต่ว่าของพวนี้มันมันเป็นโทษของสังคมเป็นโลกาวชะสังคมขงเขาจะกีดกันแต่ถ้าบอกว่านี่เป็นพระท่านแนะนานี่ก็จบละยกให้พระเลยของพวนี้อย่างนี้ยกให้หลวงพ่อเลยหลวงพ่อบอกว่าพอได้น่นก็จบละพอหลวพ่เอาพระเจ้าก็พอเอาพระเจ้า นี่ครูเจ้าเผาวันไหนก็ไม่วันนั้นน่ะฟังวันไหนก็จงรำวันนั้นแหละแต่ถ้าปล่อยไว้วันไหนก็กระ n e อยู่นั่นแหละอืมมันเป็นการกําจัดขยะแต่พูดไปอย่างหนึ่งก็จะกำจัดเชื้อโรคอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดความเชื้อโรคแต่ อ, อิสลามนะวันเดียวเขาเผาเลยนะเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อโรคอืภายในตะวันตกดินเขาต้อจัดการเลยให้เรียบร้ อ, อยมันจะไปรออะไรแล้วมันจะไปหองหาอะไรแล้วอย่าของเราจะเอาไว้กันอยู่ ไปดูกันอยู่อย่างนี้ปัญญาของเราทั้งหลายที่เป็นเป็นชาวพุทธ่อยเฉพาะย่างยิ่งคือที่เป็นพุทธที่เป็นนับถือพระพุทธเจ้าจริงๆให้ใช้สติปัญญาพิาพจารณาใคยควรอย่าไปตามๆกันมาแล้วก็เชื่อสุดท้ายก็ลูกหลานก็จะจําต่อๆกันไปไม่ใช่ขอที่ดีให้เชื่อว่าสิ่งใดที่พุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่าไปคิดจะไปถามพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสังคมนั่นเอง ที่คัญเราแต่ก็น่าจะเป็นคนวัดอย่างพระติมเขาก็อยู่วัดมานานแล้วละเราไม่ต้องไปเชื่อก็คือเอาสะดวกพวกเราว่าก็จบแล้วอันนี้มีอะไรลหรื อ, อเหมือนกันที่เความเชื่อนี่ยเขาเรียกว่าศรัทธาความเชื่อหรือ ก, ก็คือศรัทธาแต่รพระเราประยุชน์แค่ศรัทธามันไปไม่ถึงปัญญาคือจะไม่สามารถอิคิดได้ตัวนี้เองตัดสินใจได้ตัวนี้เองเพราะปฏิทีิศฐาเนี่แหละ เนอันนี้คือสำคัญถ้าศรัทธาดีไม่ดีแต่เมื่อใดก็ตามทนไปไม่ถึงปัญญาในธรมบัตเพราะฉะนั้นหลักฐาในทางพุทธศาสนาคือทุกครั้งที่ขึ้นต้นโดยศรัทธาท่านจะปิดท้ายด้วยปัญญาเสมอเพื่อให้เรานึกได้จะศรัทธาวิญญาณสติสวสัิปัญญาเห็นไหมท้านก็จบที่ปัญญาการปฏิบัติธรรมของเราก็เช่นเดียวกันมันไม่ได้จบแค่สัญญาคือจําได้หมายรู้หรือวิธีการแต่จบได้ด้วยปัญญา คือรู้ได้ด้วยตนเองแต่เหมือนวันนี้เราเรามารู้มาเห็นแล้วว่าสุดท้ายความจริงมันเป็นอย่างนี้นี่คือสิ่งครูเจ้าสอนเ่อความจริงรำรึกความจริง2เป็นประโยชน์ไหมที่เราอยู่ในฟังครูเจ้าพิจารณาและที่สำคัญคือมีสติรานึกขึ้นมาได้โอทั้งหมดเนี่ยมันประกอบด้วยเป็นประโยชน์มีสาระคือแก่นเราก็ได้ประโยชน์ได้สาระจากพ ง, งานในครั้งนี้ ก็ขอธรรมทานาขอทีพวเราทุกคนที่มาช่วยกันเป็นเจ้าภาพในวันนี้โดยเฉพาะหลวงพ่อแนะนํำหลงวงพ่อเองก็เป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องห่วงนะถ้าหมดลมเม่อไหร่หลวงพ่อรับผิดชอบให้หมดแหละถ้าหลวงพ่อไม่ไปก่อนรับปิดชอบให้หมดเรามีกองทุนกองทุนที่พวกเราทําบุญ น, นี่แหละหลวงพ่อจะหักไว้ห้าบาทสิบบาทสิบหเปบเอร์เซ ที่พวกเราทำบุญทุกครั้งเนี่ยเรียกว่าทุนนิติหรือสันติธรรมสมาสัยเวลามันไม่ใช่เราอย่างเดียวสมมติว่าคนที่เขาลาบากคนที่เขาเดือดร้อนไม่มีอย่างชุมชนลงอื่นซื้อลงก็ไม่มีหลวงพ่อก็ไม่ทุนให้ตอนนี้นตั้งทุนด้วตอนนี้นมีอยู่แล้วสองแสนบาทถ้าใครอยากเพิ่มทุนก็สามารถทำได้พวกเราไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงเลยมีใครพอหลวงพ่จุดไฟพอให้อีกเราไม่ห่วง ถ้าปกับเรื่องตายเอ า, เอาเอาเรื่องปัจจุบันปัจจุบันนี้อยู่อาตุรอดอันนี้คือหลักของของพวกเราทุกคนวันนี้เลี้ยงขา้าวตมมาสองวันแล้วก็แนะนํำครับวัดเราเลี้ยงขา้าวตมวันนี้ก็เลี้ยงข้าวต้มเป็นเจ้าภาพแล้วก็วันนี้ปัจจัยส่วนหนึ่งที่มอบให้ทางเจ้าภาพทางวัดจํานวนไม่ืน่นบาทแล้วก็การเทศวันนี้ซึ่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะมอบคืในให้แกเจ้าภาพวันนี้เราว่าเทศฟรีวันนี้ แต่ฟรีจ้มอเาคุยเรื่ อ, องกีก่ยกเกจ้าภาพเพื่อร่วมกับตำบลของป้ติมนะําคืนวันนี้ก็ขออนุโมทนาความดีบุอยอีกครั้งหนึ่งให้เรามั่นใจได้เกินว่าถ้าเราเชื่อว่าผู้เจ้าไปดีเนี่ยก็ป้ติมก็ไม่ต้องไปถามแล้วว่าไปดีหรือเปล่ า, าทํหนานดีครับเราก็ไม่ต้องมีความไม่ตกกังวลแล้วเราก็เช่นเดียวกันเราไม่ต้องสงสัยว่าถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยไม่ต้องไปสงสัยว่าจ ะ, จะไปไหนไม่ดีตั้งหา มัจะต้องหาทางแก้ไขปรับปรงุงพัฒนาให้มันดีขึ้นเพื่อจะได้ไปดีคือสุขโตออันนี้คือสารธรรมสำหรับพวกเราข่ําขึ้นวันนี้ขอรอุ่นพัฒนาในกุศลเจตนาพวกเราทั้งหลายที่รวมกันทบาบาป็นในวันนี้ถึงแม้วันนี้เราไปผ่านแล้วไม่ได้รับสินมันก็เป็นศิลอยู่แล้วล่ะสมาธิคือตั้งใจฟังจนเกิดปัญญาคือคิดได้ถึงเองอ น, นี่ก็คือใจสี่ขานั่นเองขอความดีที่เราทําในวันนี้ จะเป็นพะระรัปัจจัยถึงแก่ไม่ตยมผู้รัไปแล้วโดยวางยิ่งจะภาพวันนี้กนัฐธาพระสงฆ์องค์เนนวันธรรมทั้งหมดร่วมเป็นเจภาพครั้งสุดท้ายเพื่อระลึกนึกถึงความดีความปฏิมัติครั้งนี้ก็ขอลงมนิการแสดงธรรมขอสุขคนแก่เวลาไอ้วังก็มีรัปรการาชนี